มงกุฎไพรเล่มสี่ตอนที่2อ1และแล้วคืนอันเป็นคืนสุดท้ายภายในราชฐานมรกรณครก็มาถึงหัวข้ามนั้นจากราทิราชเจ้าทรงจัดงานอุทยานสโมสรเลี้ยงคณะอาคันตุกะทั้งสองฝ่ายเป็นการมโหราณอีกวาระหนึ่งร่วมด้วยเหล่ามุขอมาต ร, ราชมนตรีและขุนทหารชั้นผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกับคนเหล่านี้ทั้งหมดดีมาแล้ว ครั้นพอสมควรแก่เวลาไม่ถึงกับดึกเกินไปนะักพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายได้กลับไปพักผ่อนหลับนอนเพื่อเอากําลังไว้ให้เต็มที่รวมทั้งตรวจจัดเตรียมของให้พร้อมพักเป็นครั้งสุดท้ายและทรงนัดนให้ทั้งหมดไปพร้อมกันที่หน้าสนามชัยในอรุณรุ่งข้ารวมทั้งพระราชินีและกองทหารส่วนหนึ่งจะไปรอคอยพวกท่านทุกคนอยู่ที่นั่นก่อนแล้วทรงรับสั่งขึ้นกับทุกคนพร้อมทั้งรอยแย้มสวน เราควรจะออกเดินทางในทันทีที่ตะวันเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าระยะเดินทางก็ดังได้บอกไว้แล้วเราจะไปกันตามสบายไม่เร่งรีบนะักใช้เวลาหนึ่งวันพักแรมระหว่างทางอีกหนึ่งคืนและต่อไปอีกครึ่งวันก็จะถึงจุดหมายที่พวกท่านจะแยกทางไปตรงตำแหน่งจุดกึ่งกลางของถนนพระศิวะขอให้ทุกคนหลับให้สบายในคืนนี้ทุกคนทั้งสองฝ่ายรวมแล้ว36ชีวิต ทูลลาและเข้าไปร่ำลากับบรรดาเหล่าราัฐมนตรีเหล่านั้นเพราะเชื่อว่าคืนนี้คงเป็นคืนสุดท้ายอันจะไม่ได้พบพวกนั้นอีกแล้วบรรดาราัฐมนตรีที่ร่วมในงานอยู่ด้วยภายในคืนนี้ต่างก็อวยชัยให้พรขอให้ทุกคนเดินทางกลับไปถึงโลกภายนอกโดยสวัสดิภาพอรชุนและบรรดานายทหารใหญ่ที่เคยได้รับทั้งทางด้านเชิฐาและสแตนลีย์ ให้คำ ม, มั่นสัญญาว่าจะตามเสด็จไปส่งคณะทั้งหมดด้วยอย่างพร้อมเพรียงและเจ้าส่งปาก็บอกกับบุญคําภายหลังถูกถามว่าไอ้ส่างปาเองจะไปส่งพวกข้าด้วยหรือเปล่าวะแน่นอนข้าจะต้องตามเสด็จไปส่งพวกลุงกับเจ้านายทั้งสองด้วยเหมือนเมื่อคราวก่อนนั้นก็แปลว่าเองจะขออยู่ในมรกตนครนี้ไปชั่วชีวิตจันเกิดเสยเข้ามากอดคอส่งปาไว้แล้วถามขึ้นเหมือนจะหยั่งเสียง สังปายิ้มเศร้าๆชีวิตของข้ามันไม่มีความหมายอะไรกับใครนักหรอกแม้ข้าจะอยากกลับไปเห็นนายแมมมาเรียอยากจะไปเห็นนายตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่ของข้าแต่ข้าก็ได้สาบานแล้วว่าจะอยู่ในมรกรนครเป็นข้าฉลองพระบาทขององค์จั ก, กรราชไปจนกว่าชีวิตจะหาไหมข้าก็ไม่อาจเสียคำพูดได้เองเป็นคนดีมากสั่งปลาบุญคำบอกน้ำเสียงจริงจังขึ้น จงอยู่ที่นี่ให้สมกับพระเมตตาที่คุณของกษัตริย์จั ก, กรราชที่ทรงประทานให้เองต่อไปเถิดถูกต้องแล้วว่าแต่เองได้พูดจาเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งไปแล้วหรือยังกับนายทหารชา ย, ยันเจ้านายของเองซางปาพยักหน้าข้าได้บอกความในใจของข้าทั้งหมดแก่นายทหารชา ย, ยันไปแล้วท่านก็เห็นใจข้าและข้าก็มีของฝากไปถึงเจ้านายใหม่ตัวน้อยๆของข้าด้วยข้ามอบให้นายทหารไปแล้ว เป็นกาไรข้อเท้าฝังเพชรดีมากที่เองมีน้ำใจระลึกถึงนายน้อยๆที่เกิดใหม่ของเองพรุ่งนี้พบกันและในระหว่างเดินทางหรือภาคแรมเองจงมาอยู่กับพวกข้าตลอดจนกว่าเราจะแยกจากกันส้างปาพยักหน้าจับมือเพื่อนพรานทุกคนรวมทั้งขยินที่เข้ามายืนมุงอยู่ด้วยแล้วทั้งหมดก็พากันแยกย้ายกลับที่พักของตนโดยรพินมอบหมาให้บุญคาเป็นหัวหน้าพราน ทำหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยทั้งปวงให้แก่ฝ่ายของดรสแตลี่แทนตัวเขาภายในคืนนี้และให้ทั้งสี่คนไปรวมอยู่กับฝ่ายอเมริกันเหมือนเช่นเคยทุกครั้งสำหรับตัวเขาเองขอแยกตัวมาอยู่กับฝ่ายของเชส ธ, ธาแม้ดารินจะกล่าวอนุญาตเช่นไรก็ตามเพราะเห็นว่าเป็นคืนสุดท้ายในราชฐานมรกรนครแล้วเรื่องอะไรที่ผมจะห่างภรรยายอดรักของผมและเจ้านายเก่าทุกคนทางด้านโน้นไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแล้ว พรุ่งนี้ก็ต้องพบกันอยู่วันยังคำ่ำและในระหว่างเดินทางร่วมกันอีกซึ่งพวกเขาก็ยังอยู่ในความดูแลของผมจนวินาทีสุดท้ายนั่นแหละหล่อนจูบแก้มเขาเบาๆกระซิบว่าสามีของฉันน่ารักขึ้นทุกวันผิดกับแต่ก่อนนี้มากๆผมทำได้ตามคาพูดไหมครับค่ะทำได้ตามพูดทุกอย่างรู้ไม่ใช่หรือคะว่าฉันไม่อยากจะให้คุณห่างตาแม้แต่วินาทีเดียวไม่ใช่ไม่ไว้วางใจหรอก แต่อยากอยู่ใกล้น่ะผมเข้าใจดีครับในข้อนั้นแล้วคืนนี้ล่ะคะคุณจะออกมานอนข้างนอกรวมกับคนอื่นๆหรือจะอยู่ในห้องกับฉันคืนนี้เราต้องนอนรวมกันแบบเตรียมพร้อมทั้งหมดครับและอยู่ในชุดที่พร้อมจะออกเดินทางได้ทันทีคุณหญิงก็ควรจะต้องออกมานอนรวมกับพวกเราด้วยผมจะปลุกทุกคนก่อนสว่างประมาณครึ่งชั่วโมงดารินส่งมือไปให้เขาจับยิ้มให้อย่างอ่อนหวานเป็นสุขบอกเบาวๆว่าตกลงในพรานของฉัน หน้าตำแหน่งสนามชัยหน้าพระบรมมหาราชวังองค์จักรราธิราชและราชนีเมยานีในฉลองพระองค์ชุดออกศึกประทับรออยู่แล้วบนหลังม้าพร้อมด้วยกองทหารม้าประมาณหนึ่งกองพันเมื่อทั้งฝ่ายเชษฐาและฝ่ายของสแตนลีย์เดินเหยาะม้าเข้ามาเป็นขบวนรวมทั้งสิ้น36คนครบถ้วนของทั้งสองฝ่ายที่เป็นอาคันตุกะเหยียบย่างเข้ามาในมรกกนครมีม้าต่างบรรทุกสัมภาระมาด้วย ทุกคนล้วนอยู่บนหลังม้าทั้งสิ้นจากการจาัดสรรเตรียมไว้ให้พร้พรอมแล้วตั้งแต่เย็นวานทั้งหมดแต่งกายในชุดเดิมของตนและมีอาวุธพร้อมมือเหมือนเดิมเมื่อต่างเคลื่อนเข้ามาถึงและขยายแถวออกเป็นหน้ากระดานประจันหน้ากับกองทัพม้าของจักรราชทุกคนก็ทำวันทยาวุฒิถวายการเคารพอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งหมดจักรราชและเมยาณี แย้มสวนแจ่มใสยกพระหัตถ์ขึ้นทักทายและรับการเคารพนั้นพวกท่านมาได้ตรงตามเวลาดีมากหวังว่าทุกคนคงพร้อมที่จะออกเดินทางได้แล้วเดี๋ยวนี้กษัตริย์หนุ่มโฉมงามผู้ปราดเปรื่องทรงรับสั่งถามขึ้นรวมๆด้วยพระสุรเสียงอันดังก้องกังวานพวกข้าพระองค์ทุกคนพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเชษฐาทำหน้าที่กราบทูลขึ้นแทนให้แกคณะทั้งสองฝ่าย จักรราษกวาดพระเนตรเหมือนจะตรวจนับจำนวนคนของทั้งสองฝ่ายและเมื่อทรงเห็นว่าครบทั้ง36คนไม่มีใครขาดไปเลยก็ชูพระหัตถ์ขึ้นสูงเมื่อนั้นเสียงแปรสัญญาณให้เคลื่อนพลก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้ามา้าที่ขยับพร้อมกันสะเทือนล่านสนามชัยอรชุนยุทธทิตพรหมเมธวามิตสุกรีพราหุ และขุนศึกที่ทุกคนคุ้นหน้าอยู่ในขบวนแถวหน้าของกองทัพนั้นพร้อมหมดทุกคนไม่มีใครขาดไปเช่นกันและเบื้องหลังขององค์จักรราชกับพระราชนีมีส่างปาในชุดทหารยืนม้าอยู่เบื้องหลังด้วยขบวนทั้งหมดเริ่มเคลื่อนเป็นแถวเรียงสิบออกจากสนามชัยในทันทีนั้นโดยมีอรชุนนำไปเบื้องหน้า แล้วทุกคนของฝ่ายอาคันตุกะผู้มาเยือนซึ่งพร้อมที่จะเดินทางกลับอยู่ในขณะนี้ก็ชักม้าเข้ามารวมอยู่ในส่วนกลางของกองทัพนั้นทันทีจักรราชทรงทาสัญญาณด้วยพระหัตสั่งการให้คณะของเชษฐาและสแตอลี่ชักม้าเข้ามาใกล้เมื่อผ่านเข้าเขตเมืองประชานชนทั้งสองฝากฝั่งถนนซึ่งคงจะทราบข่าวอยู่แล้วต่างชุมนุมอยู่คับข้างเนืองแน่นเสียงโห่ร้องอวยใจให้พรดังกระหึ่มไปหมด พร้อมทางดอกไม้และแพรพรรณที่ปลิวสวัยนอกจากจะเปล่งเสียงถวายพระพรชัยจากกราธิราชและราชนีเมยานีแล้วคลื่นของประชาชนทั้งสองฝากฝั่งถนนริมทางผ่านก็ตะโกนเรียกนามของรพิน์และดารินกระหึ่มก้องจนทั้งสองมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นไปหมดต่างโบกมือให้แก่ประชาชนชาวมรกนครอันเป็นมิตรที่แสนดีเหล่านั้น พอพ้นเขตประตูเมืองที่จัดเป็นซุ้มไว้อย่างสวยงามและมีทหารขึ้นประจำแท่นเชิงเทินทำความเคารพอยู่มาทั้งหมดก็เริ่มทวีความเร็วขึ้นเป็นลำดับควบตัดตรงบ่ายหน้าไปยังตำแหน่งอันบรรจบกับถนนใหญ่แห่งสิวะเทพซึ่งเป็นทางนำออกสู่ชนบทนิคมคามในทันทีทิ้งประตูเมืองนครมรดกไว้เบื้องหลัง เมื่อผ่านเส้นทางแยกที่จะไปยังปร า, าสาทศรีมหาอุมาเทวีหรือสุสานของบุพกษัตัตย์แห่งมรกรนครอันเป็นตำแหน่งที่เครื่อง B-52 อับปางอยู่อเมริกันทุกคนรวมทั้งรพิน์และเชิดวุฒิก็หันไปทำวัทยาหัดอําลาแกซาาเครื่องและนัก บ, บินผู้เสียชีวิตเหล่านั้นส่วนฝ่ายของแช่ฐาได้แต่หันไปดูเฉยๆและแอบนึกพอใจอยู่ภายในเงียบ ในกรณีที่ฝ่ายอเมริกันไม่สามารถจะดำเนินการใดๆกับซากเครื่องตกและระเบิดสิบเมกะตันลูกนั้นได้เลยและไม่ยอมแม้แต่ที่จะเก็บหลักฐานใดๆกลับคืนไปด้วยคงทิ้งซากไว้ให้เป็นอนุสรอ์อยังพื้นราบหลังปราสาทพระอุมาเทวีอยู่เช่นนั้นตลอดไปการเดินทางค้นหาซากตกของอเมริกันชุดนี้เสมือนประสบกับความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งใหม่แปลกเหนือโลกที่พวกเขาไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนได้กลายมาเป็นผลกำไรแห่งชีวิตอย่างมหาศาลเกินคุ้มค่าของความเหนื่อยยากเสี่ยงตายที่อุตสาหบุกบันกันมาคนชุดนี้คงจะจดจาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้ประสบพบเห็นมาไปตลอดชั่วชีวิตและคงไม่มีวันที่จะปรีปากบอกเล่าให้ใครฟังได้เหมือนเหตุการณ์ที่ตนได้ฝันไปเะ่นั้นณาตำแหน่งผ่านทางแยกนั้น จักรราษฎผินพระพักมาทรงยิ้มยิ้มให้แก่เชษฐาผู้ควบม้าอยู่เคียงข้างแต่ไม่ได้ทรงรับสั่งอย่างใดทั้งสิ้นอดีตท่านทูธทหารบกก็ไม่ได้กราบทูลเช่นไรเช่นกันเพียงแต่ยิ้มตอบมาให้เหมือนจะเข้าใจความในกันอยู่ในทีสแตลลี่คีตและอิซาเบลซึ่งทำความเคารพต่อซาเครื่องตกได้หันมองจนสุดเอี้ยวคอแล ยกเว้นคริสติน่าคนเดียวที่ภายหลังทำความเคารพแล้วก็ไม่แสดงท่าทีว่าจะสนใจหรืออะไรอาวรใดๆอีกเลยกองทัพม้าทั้งขบวนก็ผ่านทางแยกนั้นไปและเริ่มทวีความเร็วขึ้นตามลำดับแม้จะไม่ถึงกับควบตะบึงสุดเหยียดก็ตามตลอดระยะการเดินทางไม่มีใครจะมีโอกาสได้พูดจาหรือสนทนาใดๆกันทั้งสิ้นนอกจากมุ่งไปเบื้องหน้าประการเดียว และการพูดจาก็ไม่สามารถจะทำได้ถนัดในระหว่างที่ม้าทั้งขบวนใหญ่นับหลายร้อยตัวคั่วไปอย่างแผ่นดินสะเทือนนั้นได้มีการหยุดพักพลเพียงช่วระยะเวลาสั้นๆเพื่อรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็มุ่งหน้าออกเดินทางต่อไปโดยไม่ยอมให้เสียเวลาใดๆทั้งสิ้น ครื่องหลังของวันนี้ดารินใช้วิธีเดิมของหล่อนเหมือนเมื่อขามาคือไปนั่งม้าตัวเดียวกับเมยานีโดยเกาะหลังไปเพื่อจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนางพญาแห่งมรกรนคอนผู้หล่อนรักเหมือนน้องสาวให้มากที่สุดก่อนจากปล่อยม้าหลังเปล่าของหล่อนให้วิ่งตามมาใกล้ๆทั้งสองจึงมีโอกาสที่จะตะโกนพูดจะอะไรได้บ้างมากกว่าคนอื่นๆใกล้ค่ําจักรราชทรงมีบัญชาให้หยุดพักทับ อยู่ในระหว่างพื้นภูมิประเทศอันเป็นป่าเขาปราศจากหมู่บ้านผู้คนบนถนนแห่งนั้นเหล่าทหารแยกออกกลางกระโจมพักก่อไฟขึ้นคณะสแตนลีย์และเช่ฐาเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นคณะเดียวกันทั้ง36คนใจกลางวงล้อมของกองทหารทั้งสองพระองค์เสด็จมาร่วมสเสวยอาหารค่ำแบบสนามกับอาคารตุกะทุกคนด้วย ทั้งหมดพากันนั่งรายล้อมอยู่รอบกองไฟที่สุมไว้ทั่วไปหมดอาหารมื้อนี่แหละจะเป็นมื้อสุดท้ายอย่างแท้จริงระหว่างข้าและพวกท่านทั้งหลายเราเดินทางกันเร็วเกินที่คาดไว้เพราะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงแน่นอนก็จะถึงตำแหน่งที่ต้องลาจากกันแล้วและเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพวกท่านคงจะไม่ยอมเสียเวลาอยู่บนถนนพระศิวะอีกนอกจากเดินทางต่อไปในทันที จักราชตรัสขึ้นด้วยน้ำพระสุรเสียงลึกกังวานได้ยินไปทั่วทุกคนที่นั่งชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นซึ่งจากกระแสรับสารเช่นนั้นเองทำเอาทุกคนพากันนิ่งอึง้งเงียบเงันกันไปหมดทั้งฝ่ายแช่ถาและฝ่ายสแตนลีย์ในที่สุดเป็นครูใหญ่สแตนลีย์จึงฝืนยิ้มและกราบทูลขึ้นต่าๆว่าผู้เราทุกคนคงจะต้องถวายบังคมลาทั้งสองพระองค์ด้วยความอาลัยยิ่ง และจะไม่มีวันลืมทุกสิ่งทุกอย่างในมรกตนครไปจนกว่าชีวิตจะหาไมมเราคงไม่มีโอกาสได้หวนกลับมาเฝ้าเบื้องพระบาทอีกแล้วตลอดไปนอกจากในความคิดคำนึงของพวกเราเท่านั้นคิดเอ่ยแผ่วเบามาอีกคนหนึ่งอาการของพันเอกแห่ง US a r สอาร่ซึมลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะเป็นชายอกสามซอกซึ่งไม่เคยที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวลึกซึ้งอะไรมาก่อน การมีชีวิตอยู่ในราชฐานมรกรุกนครทำให้เขามีสภาพเหมือนกับอยู่ในสวงสวรรค์ซึ่งเพียรพร้อมไปด้วยสาวสวรรค์กำนันในขอยให้การปรนิบัติอย่างชนิดที่ไม่เคยพบความสุขเช่นนี้จากที่ไหนมาก่อนและไม่คิดฝันว่าชีวิตนี้จะได้พบไม่เพียงแต่คี้เท่านั้นแม้เชิดวุฒิหรือแม้กระทั่งพวกพรานพื้นเมืองหรือลูกหาบทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นกันลหลายๆคนมีความคิด ที่ไม่อยากจะจากมรกรนครไปก่อนอยากจะใช้ชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เหตุการณ์จำเป็นเข้ามาบีบบังคับสำหรับเบลหลนมองไปยังวงพระพักและพระสิริลักษณ์สง่างามดุจเทพเจ้าของจักรราชด้วยความหลงไหลแต่ก็ยำเกรงไม่อาจที่จะอาจเอื้อมเกินขอบเขตใดๆไ ด, ไ ด, ได้แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้น หล่อนจะมองผู้ชายทุกคนที่หล่อนพอใจเหมือนของเล่นและหล่อนก็หลอกล้อเริงเล่นด้วยมาตลอดด้วยอำนาจของสเสน่ดึงดูดในตัวแต่สำหรับบุรุษผู้นี้หล่อนบังเกิดความระ ย, อย่อย่านขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกของเจ้าแม่ยัวเมืองอย่างเบลมันเป็นความรู้สึกหวาดกลัวอันเกิดขึ้นอย่างลึกลับแต่ ท, ทั้งที่กลัวหล่อนอยากที่จะเห็นอยากที่จะอยู่ใกล้ตลอดเวลา สำหรับหม่อมชันหลอนเอ่ยขึ้นไม่มีอาการระริกระรีผิดไปกว่าทุกครั้งคงจะได้หวนกลับมาเฝ้าพระองค์อีกในความฝันจากราแย่ำสวนน้อยๆก้มพระเศียรลงนิดหนึ่งถ้าดวงจิตของเธอกล้าแข็งพอแต่ทว่าเธอไม่ได้มันฝึกจิตใดๆของเธอเลยนอกจากจิตที่มุ่งอยู่แต่ในวัตถุธรรมและกระแสแห่งทางโลกีเท่านั้น จะอย่างไรก็ตามข้าขอขอบใจที่เธอจะหวนกลับมาพบข้าอีกนั่นคือการตรึกนึกระลึกถึงแต่เธอจะไม่ฝันหรอกภายหลังเมื่อจากที่นี่ไปแล้วจงกลับไปใช้ชีวิตให้เป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้วยวิชาแพทย์ของเธออิสเบลและจงมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเยี่ยงสตรีทั่ ว, วไปอย่าได้ใช้ชีวิตเสี่ยงต่อภัยอีกเลยเพคะ หม่อมฉันจะจดจำในสิ่งที่พระองค์รับสั่งตักเตือนนี้ไว้ราตรีสุดท้ายเหนือถนนพระศิวะนี้ดูเหมือนจักรราชจะทรงให้ความสนใจพระไทยกับฝ่ายของสแตนลีย์เป็นพิเศษได้รับสั่งทักทายทั่วไปหมดทุกคนขณะที่ฝ่ายของเชิดาเฝ้าจับตาสังเกตอยู่อย่างเงียบๆโดยไม่ขัดจังหวะสอดแทรกใดๆขึ้นทั้งสิน้นน้องชายทรงหันมาตราสกับเชิดุฒ ผู้นั่งมองดูคริสติน่ากำลังนับเม็ดรประคำที่หลอนห้อยคออยู่ขณะนี้คริสติน่าผู้ซึ่งมีอาการสงบเฉยเหมือนจะไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวใดๆทั้งสิ้นหลอนกลายเป็นคนพูดน้อยที่สุดในระยะหลังเธอได้ตื่นขึ้นบ้างแล้วหรือยังประโยคติดต่อมานั้นเป็นรับสั่งถามอย่างแฝงลึกไปด้วยความในเชิดวุฒิสะดุง้งตื่นจากผวังและหัวเราะออกมาอย่างแจ่มายเป็นครั้งแรก ปราบทูลว่าพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้ตื่นจากความฝันอันไร้แก่นสารสาระนั้นแล้วตื่นอย่างเด็กขาดและจะไม่มีวันหลับเพอ้ออีกแล้วชีวิตของเธออย่างก้าวหน้าไปอีกไกลอนาคตสุขใสเรืองรองรอคอยอยู่แล้วอย่าครุ่นคิดอะไรให้เป็นนิวร อ, อันร้อน ล, ลุ่มอีกรับสั่งเตืนสติมาดังนั้นแล้วก็ทรงทอดพระเนตรจับนิ่งไปยังคริสติน่า ผู้บดี้นิ้วมือทำหน้าที่นับประคำช้าๆตาก็มองจับอยู่ยังเปลวไฟวอมแวมในกองเบื้องหน้าแสงไฟสองจับใบหน้าของหล่อนขาวเรืองรองดูประหลาดไปแล้วทรงหันไปทางพรานใหญ่ระพินผู้นางพินิษฐ์พิติการสนทนาต้อตอบต่างๆอยู่อย่างพิเคราะห์เงียบๆจักรารับสั่งด้วยเบาๆว่าทุกคนตระหนักดีว่าผู้กองเป็นคนดีมีวิชา และหนักไปในทางเดราชานวิชาสีด้วยทรงเลี้ยวรถมหาฆ่าพระองค์ทำไมพรานกระเรียงที่ชื่อแงซ า, ายเคยเห็นผู้กองสามารถจะหยิบฐานแดงๆจากกองไฟขึ้นมาจุดบุหรี่ได้ยามที่ร้อนวิชาหนักถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังหยิบได้แล้วยังไงหยิบฐานในกองไฟนี่ขึ้นมาสักก้อนสิพระพินไพรวันกลั้นใจรายเวทบริกรรมแล้วหยิบฐานอันลูกแดงโชดก้อนหนึ่ง เคืองขนาดหัวแม่เท้าขึ้นมาโดยการคีบระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของเขาชูขึ้นเลิกคิ้วแล้วยังไงต่อไปจะให้ยื่นส่งต่อให้แก่พระหัตถ์ของพระองค์หรือเขาถามเรียบๆไม่จำเป็นเดี๋ยวท่านจะกล่าวหาว่าจักรราชได้ดับพิษอันร้อนแรงของฐานก้อนนั้นลงเสียก่อนเอาละโยนลงไปที่ตักของคริสติน่าเดี๋ยวนี้เช่ท้า ชัยยันอนุชาและทุกคนที่ได้ยินคำโต้อตอบอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจโดยเฉพาะดารินร้องออกมาว่าอย่านะระพินมันช้าไปเสียแล้วฐานแดงโชคในมือของรพินก้อนนั้นถูกโยนข้ามกองไฟลงไปตกอยู่บนหน้าตักของคริสผู้กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่อย่างแม่นยำที่สุดท่ามกลางสายตาอันเบิกโพรง่งตื่นตะลึงของทุกคน ที่จ้องจับมาต่างเห็นกางเกงเดินป่าตรงบริเวณที่ฐานไฟหล่นลงไปตกส่งควันกลุ่นขึ้นในทันทีมันไหม้เนื้อผ้ากางเกงยีนที่หล่อนสวมอยู่ในขณะนี้อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนแรงเกิดเป็นจุดรอยไหม้แดงและควันขมงขึ้นทุกขณะแต่คริสติน่ายัางคงนั่งเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนใดๆเลยแม้แต่นิดหนึ่งมือของหลอนขยับนับลูกประคำอยู่เช่นนั้นคริส จักรราสงรับสั่งเรียกด้วยน้ำพระเสียงปกติเพคะล่อนตอบมาเบาๆอันแสดงว่ายังได้สติรู้ตัวอยู่หยิบฐานก้อนนั้นโยนกลับเข้าไปในกองไฟตามเดิมนั่นเป็นประกาศสิ์สั่งในทุกสายตาที่จ้องมาอย่างตกใจชนิดจู่โจมกระทันหันอันไม่อาจทำนายอะไรได้มาก่อนทุกคนเห็นคริสละมือจากลูกประคำ ค่อยๆหยิบฐานก้อนนั้นเหมือนหยิบก้อนกรวดธรรมดาโยนกลับคืนลงไปในกองไฟตามเดิมแล้วใช้มือข้างนั้นลูกที่หน้าตักซึ่งบัดนี้ไฟไม่พ่าเป็นดวงกลมขาดทะลุลงไปเห็นเนื้อสีชมพูบริเวณนั้นของหล่อนเป็นเนื้อหนังมังสาที่ปกติธรรมดาที่สุดไม่มีอาการไหมพองอย่างใดทั้งสิ้น และเจ้าตัวก็ไม่แสดงอาการว่าแสบร้อนรู้ถูกผ่าฐานเผาไหม้เนื้อใดๆเลยแม้แต่น้อยนิดและเมื่อขยับตัวจากอาการที่นั่งอยู่เดิมนั้นแล้วคริสก็เลยเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าขัดสมาธิมาเป็นพับเพียบพนมมือทั้งสองขึ้นจรดคางหันไปทางจักรราษเอ่ยขึ้นเบาๆว่าขอให้ทรงพระเจริญและหล่นหันไปทางรพินยังพนมมืออยู่เช่นนั้น เอ่ยต่อมาว่าขอคาระวะไปยังครูคนแรกของฉันด้วยคริสนี่เธอเธอกลายเป็นมนุษย์ประหลาดมหาสัจจรรย์ไปแล้วหรือนี่ฐานไหมกางเกงเธอขาดควันขมงเนื้อหนังเธอทนอยู่ได้ยังไงสเตนลีย์ร้องลั่นขึ้นทุกคนกำลังอยู่ในภาวะตกใจทั้งสิ้นด้วยเขาหน้าอันราบเรียบเป็นปกติที่สุด เหมือนๆกับองค์พระอาจารย์ที่ประทับท่อพระเนตรนิ่งจับข้ามกองไฟมาคริสเอ่ยขึ้นกับทุกคนเบาๆว่าใช่่านติดไฟที่ครูรพินโยนลงมาที่ตักชั้นตามรับสั่งบัญชาเป็นสิ่งร้อนแรงเป็นไฟแม้แต่ผ้าของกางเกงก็ยังขาดเป็นรูมองเห็นอยู่นี่แต่เมื่อดวงจิตของฉันกำหนดไว้แล้วว่าไม่ร้อน มันก็ไม่มีความร้อนแรงใดๆต่อผิวเนื้อของฉันเลยทุกคนอย่าได้แปลกใจไปเลยนี่คือพลานุภาพของดวงจิตที่แน่วแน่และมั่นคงเบื้องต้นอันเป็นเพียงแค่หนึ่งกระีพริ้นที่ฉันได้รับการศึกษาร่ำเรียนมาจากองค์สมเด็จพระอาจารย์จักรราชเท่านั้นคำพูดเรียบๆของหล่อนที่ได้ยินกันไปทั่วนั้นทาให้ทั้งหมดแม้กระทั่งฝ่ายของเชษฐาอ้าปากค้างกันไปหมดคริส นี่เพียงไม่กี่วันที่เธอได้ศึกษาร่ำเรียนกับองค์จักรราชเธอได้สมาธิยานถึงขนาดนี้แล้วหรือนี่ดารินอุทานออกมาอย่างตื่นเต้นมันเป็นแต่เพียงพื้นฐานขั้นต้นเท่านั้นน้อยแต่ก็เป็นฐานที่ฉันจะไปเพียรบำเพ็ญภาวนาต่อไปเพื่อให้เกิดมรรคผลที่ถูกที่ควรเพิ่มขึ้นครูรพินไม่เคยสอนฉันอย่างนี้มาก่อนแต่จะไปสอนในด้านการเอาตัวรอดเมื่อภัยอันตรายมาถึง และสอนในเชิงต่อต้านมากกว่าที่จะสอนให้ลดละผิดกับที่องค์จักรราชทรงสอนแต่ถึงอย่างไรครูระพินก็เป็นครูคนแรกที่ฉันจะลืมเสียไม่ได้ตลอดไปในด้านสั่งสอนวิชาการต่างๆให้แม้ว่าฉันจะกลายเป็นผู้ที่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ตามในอนาคตใกล้ๆนี้คุณได้พระอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดแล้วคริสสำหรับผมนั้น เพียงแต่สอนคุณเพื่อใช้ชีวิตต่อสู้ในทางโลกเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นแต่องค์จักรรารงสอนในทางธรรมซึ่งสูงชันกว่ามากนักรบพินบอกมาเสียงต่ำๆน้ำเสียงของเขาเจือไปด้วยความการุนและบังเกิดศรัทธาต่อคริสรวมทั้งชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสแตลลี่คีดอิซาเบลและเชิร์วูดมีความตื่นเต้นประหลาดใจต่อสิ่งที่เห็นเสยิ่งกว่าฝ่ายเช่ถามากนัก ต่างหันมองดูหน้ากันเองไปมาแล้วจ้องไปที่คริสเป็นตาเดียวถามจริงๆเถอคริสนั่นเธอไม่รู้สึกร้อนเลยหรือนายคีิถามขึ้นโดยเร็วไม่ถามเปล่ายัางชะโงกหน้าเข้ามาดูที่ตักตรงบริเวณรอยผ้าไหมเป็นวงของคริสหล่อนให้เข้าสำรวจดูโดยดีคิดถึงกับลงทุนเอานิ้วจี้ลงไปตามบริเวณที่รอยผ้าขาดไหมนั้น กระทบกับผิวของแม่ผมทองซึ่งก็ยิ่งทำหน้าตื่นเรือรา้าเพราะไม่ปรากฏแม้แต่ผื่นแดงพองไหมใดๆทั้งสิ้นฉันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม่นักเคมีฟิสิกสาวตอบด้วยน้ำเสียงเรียบสำรวมและสงบแล้วเธอเห็นก่อนหน้าไหมว่ารพินกำลังจะโยนฐานไฟแดงๆมาที่ตักของเธอสเตนลีย์ถามมาบ้างเสียงสูงรู้สึกมึนงงไปหมดฉันได้ยินรับสั่งบัญชาขององค์จักรราช และฉันก็เห็นแม้ในขณะที่ครูรพินหยิบทานขึ้นมาขณะที่เขาโยนมาที่ฉันนั้นฉันก็ตั้งสติแต่เพียงว่ามันเป็นแต่เพียงก้อนดินธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้นมันจะไม่ระคายเคืองต่อผิวของฉันและมันก็ไม่ระคายจริงๆแม้ว่าผ้าที่หุ้มอยู่จะไหมก็ตามเธอเปนะ็นนักเคมีฟิสิกส์นะหาคาตอบที่แน่นอนได้ไหมว่าเหตุใดมันจึงไม่ไหมเนื้อเธอ ในเมื่อมันเป็นฐานไฟลุกแดงโร่อยู่เช่นนั้นอิซาเบลขย่าวแขนถามอย่างสงสัยเต็มที่คริสระบายลมหายใจลึกอดีตของฉันคือนักเคมีฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์แต่เดี๋ยวนี้ฉันเรียนทางจิตศาสตร์และสมาธิ ก, กรรมฐานทั้งสองวิชานี้แย่งออกจากกันโดยเด็ดขาดแล้ว ฉันไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนที่สงสัยทราได้อย่างไรว่าทำไมฐานติดไฟแดงจึงทำอันตรายใดๆต่อผิวของฉันไม่ได้ถ้าทุกคนที่สงสัยอยากจะหาเหตุผลของความจริงในเรื่องนี้ก็ต้องยอมเสสละตนเองเข้ามาภาคเพียนศึกษาอย่างฉันและเดี๋ยวนี้ฉันไม่รู้สึกประหลาดใจอย่างไรเลยในการที่เห็นครูรพินสามารถทาอะไรได้แปลกๆผิดสามัญมนุษย์ทั่วๆไปไม่สงสัยในเรื่องที่ว่า ถ้าหาเขาไม่ยินยอมแล้วเหตุใดจึงเอาเข็มฉีดยาแทงเนื้อเขาไม่เข้าจนถึงกับเข็มหักและไม่เห็นเป็นของแปลกหน้าขบคันอีกต่อไปห่างจะเห็นครูรพินนั่งหลับตานิ่งบริกรรมอะไรอยู่ฉันพอจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าเขาทำอะไรแต่ไม่สามารถจะอธิบายได้กับบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาก่อนเพราะจะเป็นคาถามและคาตอบที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้เลย เหมือนอนกับคำถามที่เราหาคำตอบไม่ได้ในทุกสิ่งที่พวกเราได้เผชิญพบเห็นมานับพฤติการไม่ถ่วนแต่พวกเราเข้าใจได้ดีที่สุดคริสและขอแสดงความยินดีด้วยไม่เสียแรงเสียเวลาเปล่าเลยที่เธอยอมมอบตัวเป็นสิทธิขององค์จักรราชขณะนั้นเชษฐาก็กล่าวขึ้นช้าๆด้วยน้ำเสียงกังวลชัดเจนของเขา ก่อนหน้านี้ระหว่างที่เธอไปศึกษาร่่มเรียนกับองค์จักรราชเธอได้มีการพิสูจน์อำนาจของพลังจิตมาก่อนบ้างไหมสแตนลียังไม่ไวายสงสยัยซักไซ้มาอีกอย่างรู้สึกสนใจยิ่งขออย่าให้ฉันตอบอะไรอีกเลยทุกคนที่สงสยัยโปรดทราบไว้แต่เพียงว่าพระองค์ไม่ได้ทรงสอนในเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารทางเดรัชานวิชาใดๆแก่ฉันทั้งสิน้นพระองค์สอนแต่หลักธรรมและให้นึก ตรึกไปถึงสิ่งต่างๆในอดีตที่ฉันได้กระทำมาแล้วเท่านั้นโดยวิเคราะห์ออกมาให้ถ่องแท้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศลกลับให้ฉันนั่งสมาธิภาวนาซึ่งในระหว่างนั้นฉันรู้สึกแต่เพียงว่าตัวเบาและมีความปิติสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระวนกระวาย ไม่รู้สึกถึงภาวะในร่างกายใดๆทั้งสิ้นฉันคิดว่าฉันตัดกรรมของฉันได้แล้วขอได้โปรดอย่าซักถามอะไรในเรื่องนี้กับฉันอีกเลยระหว่างที่ทุกคนพากันเงียบไปอีกนั้นจักราชและเมยานีก็ประทับยืนขึ้นรับสั่งว่าพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางต่อแต่เช้าและอีกครั้งที่ขออวยพรให้ทุกคนจงนอนหลับเป็นสุข ตราดเพียงแค่นั้นทั้งสองพระองค์ก็เสด็จดำเนินกลับไปยังกระโจมที่ประทับแรมทางฝ่ายด้านอาคารตุกษะของมรกรนคอนทั้งหมดนั้นคณะเจ้านายไม่ว่าฝ่ายอเมริกันหรือฝ่ายเชษฐาได้นอนรวมกันอยู่ในกระโจมใหญ่กระโจมหนึ่งส่วนลูกพรานลูกหาบและพรานพื้นเมืองทั้งหมดรวมทั้งส่างปลาก็ได้แยกไปนอนที่กระโจมอีกกระโจมหนึ่งใกล้ๆ ก, ก, กันหน้าที่ก่อไฟเป็นของพวกทาหารทั้งหลาย ก่อนที่จะแยกย้ายกันเอนหลังลงนอนเบลก็เอ่ยขึ้นลอยๆว่าไม่อยากให้พรุ่งนี้มาถึงเลยไม่มีใครพูดคําใดอีกแต่ทุกคนคิดตามคําพูดของเบลถูกต้องแล้วเอาจริงเข้าทุกคนรวมทั้งรพินและดารินก็ไม่อยากจะให้พรุ่งนี้มาถึงพรุ่งนี้อันหมายถึงว่าทุกคนจะต้องพระจากดินแดนมรดกนครแห่งนี้ไปแล้ว และแล้ ว, ลวหน้าทีอันต้องจําจากของทั้งสองฝ่ายก็มาถึงตามกําหนดเวลาทั้ง36ชีวิตยืนประจันหน้าเข้าแถวเรียงหน้ากระดานสองแถวอยู่เบื้องพระพักของจักรราชและเมยานีผู้ขณะนี้เสด็จลงมาประทับยืนอยู่บนพื้นเหล่าขุทหารคู่พระไทยทั้งหลายยืนเรียงรายอยู่เบื้องหลังของพระองค์รวมทั้งสางปา นาตำแหน่งนั้นก็คือจุดกึ่งกลางของถนนพระศิวะบริเวณเดียวกับที่คณะเชิดาได้ไต่าทางขึ้นมาเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนนั่นเองก่อนหน้านี้เล็กน้อยทุกคนได้เข้าไปล่ำลาเหล่าขุนทัพนายกองและส่างปาเรียบร้อยแล้วคงเหลือเฉพาะการที่จะถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงมรดกนครและพระราชนีผู้ประทับเด่นเคียงคู่กันเท่านั้น ทั้งสองพระองค์ประทับยืนนิ่งแม้สีพระพักจะกราดไปด้วยรอยแย้มสวนแต่ก็เผือดสลดด้วยความอาลัยสามารถสังเกตเห็นได้ชัดท่ามกลางแสงแดดอันอารามเรืองดุจเปลวทองของยามสายจัดใกล้เที่ยงที่มีกระแสลมเย็นพัดพลิ้วพระพินไพรวันเดินตรวจดูบุคคลทั้งหมดเหมือนจะตรวจพลนับจานวนว่าครบถ้วนหรือไม่ รวมทั้งสเสบียงที่ได้รับจากฝ่ายมรกรนครเพื่อประทังชีพในระหว่างทางและศพพระสัมภาระของทั้งสองฝ่ายเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องแล้วสั่งการให้พวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนเข้าไปถวายบังคมลาก่อนบุญคำจันเกิดเสยขยินและหนานอินรวมหกคนกับพวกลูกหาบของทั้งสองฝ่ายอีก20สบคนเลื่อนแถวมาข้างหน้า ทุกคนสุดตัวลงคุกเขา่าและมีอาการเหมือนจะกราบลงกับพื้นแต่จักรราชทรงบกพระหัตถ์ทักท้วงไว้เสด็จออกมายืนตรงหน้าบุคคลเหล่านั้นขอให้ทุกคนพวกเจ้าจงมีแต่ความสวัส ด, ดีในการเดินทางกลับครั้งนี้พวกเจ้าล้วนเป็นผู้กล้าหาญและเสียสละหน้าสารเสริญยิ่งรับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันดังกังวานเช่นนั้นแล้ว ก็เสด็จดำเนินตบไล่คนเหล่านั้นไปทีละคนเหมือนจะประทานกำลังใจให้เมื่อมาถึงขยินจักรราชหยุดจ้องหน้าโอกาสสุดท้ายสำหรับเจ้าที่จะตัดสินใจเจ้าจะอยู่กับข้าในมรกรนคร น, นี่ไหมขยินเจ้าอดีตนักเลงโตหล่มช้างยิ้มจนเห็นฟันสองแถวแล้วสั่นศีรษะไปมาข้าพระองค์เป็นทาารับใช้มากับพวกเจ้านายก็ต้องกลับกับพวกเจ้านาย จะหนีเพื่อสบายเอาตัวรอดคนเดียวย่อมไม่ได้เจ้าไม่เพียงแต่มีร่างกายใหญ่โตอย่างเดียวเท่านั้นแม่น้ำใจก็ยิ่งใหญ่ด้วยขยินข้าถือเสมือนเจ้าคือมิตรแท้คนหนึ่งขอให้เจริญเถิดกับเสยและเกิดจักรราทรงทรงพระหัตไปให้จับและบีบกระชับแน่นข้าจะไม่มีวันลืมวันคืนสำคัญที่พวกเจ้าได้มาร่วมสึกกู้บาลังกับข้าเลยเกิดและเสยสหายรัก ทั้งสองกม้มศีรษะลงคำนับไม่ติดขัดที่จะต้องตามเจ้านายไปข้าพระองค์ทั้งสองก็อยากจะอยู่ฉลองพระบาทที่นี่เหมือนกันทั้งคู่กล่าวแผ่วเบาแต่หนักแน่นสำหรับบุญคำซึ่งยืนระวังตัวตรงแนวอยู่จักรราทรงเอาฝาพระหัตตบกเข้าไปที่พุงอันคอดกิว่วรัดด้วยผ้าเข่าม้าของแกและวางพระหัตบนไหลต่อไปนี้เจ้านายคงจะชุกเลี้ยงลุงคำให้มีความสุขเสียี คงไม่ต้องให้ลำบากวิ่งไล่หรือวิ่งหนีสัตว์ป่าอีกต่อไปพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันต่อไปนี้ไอ้คำคงไม่ลำบากอีกแล้วเงินค่าจ้างเดินทางมาในครั้งนี้ก็มีมากพอที่จะเป็นเศรษฐีย่อยๆได้ในหนองน้ำแห้งโดยไม่ต้องขโมยเพชรออกมาจากขุมเพชรพระอุมาของพระองค์เลยสักเม็ดเดียว พระเจ้ากรุงมรกฎนครสวนออกมาได้เป็นครั้งแรกจับข้างเหียวๆของแกเขย่าเบาๆแล้วผ่านมาที่จันทรงจับไหลไว้อีกนะจันขอให้ไปดีมีความสุขไม่น้อยไปกว่าลุงคำนะถ้าข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากก็จะเสี่ยงตายบากหน้ามาเพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอแต่ ไม่มีใครในสี่คนนี้จะตกทุกข์ได้ยากอีกแล้วแล้วก็มาประทับยืนอึ้งไปชั่วขณะตรงหน้าครูพรานนานอินผู้น้ำตาคลออยู่ครั้นแล้วจั ก, กรราชก็ทรงสวมกอดแกไว้แน่นเต็มอ้อมสัญญากับข้าก่อนพ่อลุงนานอินสัญญาว่าต่อแต่นี้ไปเมื่อไปถึงหนองน้ำแห้งแล้วพ่อลุงจะไม่บุกป่าฝาดงไปไหนอีก แต่จะอยู่กับผู้กองรพินและนายหญิงดารินที่หนองน้ำแห้งแห่งนั้นให้เป็นที่แน่นอนเสียธีข้าพระองค์ให้สัญญาพระเจ้าข้าขอให้พระองค์และพระราชินีจเจริญอยู่ในสิริราชสมบัติตลอดพระชนชีพอันยืนนานนั้นอินผู้เสียงเครือครูพรานน้ำตาไหลเป็นทางและสวมกอดอดีตแงส า, ายแน่นเช่นกันจักรราชทรงตกที่หลังของแกเบ า, เบ า, เบา และราชนีเมยานีก็เสด็จเข้ามาจากแขนอีกข้างของแกไว้สั่งเสียลํำลา ก, กันนานกว่าพรานทุกคนแล้วต่อจากนั้นเหล่าพรานและลูกหาบทั้งหมดก็พาการถอยไปตั้งแถวอยู่ด้านหลังของคณะเจ้านายทั้งหมดตามเดิมณ้นบัดนี้แถวที่ยืนประจันหน้ากับจักรราชและเมยานีก็คือฝ่ายอเมริกันและฝ่ายของเชษฐาทั้งหมด ระหว่างพระเจ้ากรุงมรกฎนครและราชินีเมยานีกับคนเหล่านั้นได้แต่ยืนจ้องมองกันในภาวะสะอึกอึง้งตะลึงตะลัยไปเป็นครู่ใหญ่เหมือนจะทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะและแล้วด็อกเตอร์สแตนลีย์ก็เคลื่อนไหวก่อนทุกคนก้าวเข้าไปยืนอยู่เฉพาะพระพักทั้งคู่ก้มศรีรษะลงถวายคำนับข่าพระบาท ในนามของอเมริกันทุกคนที่มาค้นหาซ่าเครื่องตกในครั้งนี้ขอทูลลาแล้วพระเจ้าค่ะขอให้สมเด็จพระเจ้าจั ก, กราธิราชและราชนีเมยานีจงทรงพระเจริญจักราชและเมยานีส่งพระหัตถ์ไปให้จับเขย่าโดยแรงสมเด็จพระเจ้ากรุงมรดกนครรับสั่งพระสุรเสียงกังวานนุ่มว่าดรสแตนลีย์ ท่านเข้ามาลาค้าและพระราชินีเฉพาะเป็นการส่วนตัวของท่านเองเท่านั้นข้าต้องการคำกล่าวอำลาจากพวกท่านทุกคนไปแต่ละคนจะกล่าวในานามทั้งหมดไม่ได้กระแสดํารัสนั้นได้ยินไปทั่วทุกคนสแตนลียิ้มพรายก้มศรีรษะคำนับอีกครั้งแล้วถอยหลังออกมาเมื่อนั้นท่านเอกคดจึงก้าวเข้าไปแทนที่ทาความเคารพแบบทหาร ข้าพระองค์พันเอกลาริคิดขอถวายบังคมลาเบื้องพระบาททั้งสองพระองค์ไปก่อนแล้วพระมหากรุณาธิคุณและความทราบซึ้งประทับใจของพวกเราที่พำนักอยู่ในมรกรกนครจะไม่มีวันลืมเลือนเลยตลอดทั้งชีวิตนี้ขอสวัสดีภาพทั้งมวลจงเป็นของพันเอกคิดทั้งสองพระองค์รับสั่งพร้อมกันพร้อมทั้งประธานหัดให้คนต่อไปเป็นเชิดบุต เขาเข้ามายืนวันทยาหัดเช่นกันแต่ความตื้นตาลทำให้พูดอะไรไม่ออกทั้งสองพระองค์ส่งทอดเนตรและเลิกพระขนงน้อยๆเหมือนจะเตือนให้พูดคำใดออกมาในที่สุดเชิดวุฒก็ตะกุกตะกักออกมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอันเกิดจากพระเมตตาของทั้งสองพระองค์จะจารึกไว้ในหัวใจของข้าพระองค์จนตายและถ้าไม่ติดภารกิจใดๆแล้ว ข้าพระองค์ประสงค์ที่จะขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ที่นี่ตลอดไปพร้อมทั้งถวายตัวเป็นศิษย์ด้วยมันยังไม่เป็นการเหมาะควรสำหรับน้องชายหอกที่จะมาทิ้งชีวิตเสียในโลกซีก่ส่วนอันลี้ลับที่สุดแห่งนี้เจกรารับสั่งประธานพระหัตถ์ไปให้จับแน่นกระชับขอให้ไปดีมีสุขแล ะ, จะเจริญด้วยลาบยศสารเสริญ และขอให้ได้มีสีภรรยาที่ดีพร้อมในคุณสมบัติทุกประการภายหลังเมื่อจากที่นี่ไปแล้วเมยานีรับสั่งมาพร้อมกับพรายยิ้มตกที่ไหลของนายทหารหนุ่มด้วยความเอ็นดูพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยชิดเท้าตรงวันทยานัดอีกครั้งแล้วก้าวถอยเข้าไปประจำแถวที่ยืนอยู่ตามเดิมระหว่างคริสตินาและเบลต่างยืนนิ่ง เหมือนจะเกี่ยวให้คนใดคนหนึ่งออกไปก่อนเพราะตามปกติแล้วคริสมักจะเป็นคนสุดท้ายเสมอแต่เมื่อเห็นว่าเวลยืนรีรอเหมือนจะขอให้เป็นคนสุดท้ายของคณะหล่อนก็เข้าวออกไปย่อ ก, กายลงถวายเข้ารบหม่อมชั้นคริสตินาขอทูลลาพระอาจารย์และพระราชินีผู้มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าเพคะและจะขอปฏิญาณว่า เมื่อกลับออกไปสู่โลกภายนอกแล้วห ม, ม่อมฉันจะประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมบทวินัยทุกประการขอทูลลาแล้วและคงไม่อ่านหวนกลับมาอีกในชีวิตนี้เธอกลับมาได้อีกคริสถ้าตบะชานของเธอที่รับปากว่าจะเพียปฏิบัติให้บรรลุถึงในขั้นที่สองต่อไปนี้โลกภายนอกจะมีแสงสว่างแห่งธรรมะเพิ่มขึ้นอีกดวงหนึ่ง ความเรืองรองจงเป็นของเธอตลอดไปในโลกใหม่ที่เธอบายหน้าไปสู่ไปเถิดคริสครูขอให้พรจักรารับสั่งแช่มช้ายกพระหัตถ์ขึ้นในพระอาการประธานพรคริสถวายความเคารพอีกครั้งอย่างอ่อนน้อมที่สุดแล้วเอื้อมมือไปคว้าพระหัตถ์ของเมยาณีขึ้นมาจุบแผ่วเบาก่อนจะถอยเข้าไปในแถว อิซาเบลถอนใจยาวอย่างพอใจที่เป็นคนสุดท้ายในคณะของหล่นได้เป็นครั้งแรกเข้าเข้ามาอย่างเข้มแข็งโดวยวินัยของทหารและวันทยาหัดเหมือนผู้ชายหม่อมชันอิซาเบลกราบทูลลากรสำหรับจอมกษัตริย์ผู้งามไปด้วยพระสิริลักษณ์และนามพระไทยกับมหาราชินีผู้สงโชมแห่งมรกตนครหม่อมชันไม่อาจกราบทูลอะไรได้มากกว่านี้ นอกจากจะกราบทูลว่าหม่อมชั้นมีความอาลายัยและจะระลึกถึงใต้ฝ่าพระบาททั้งสองตลอดไปจักรราษและเมยานีน้อมเสียลงนิดหนึ่งรับคำกราบทูล น, นั้นด้วยรอยแย้มสวนจงอย่าลืมในสิ่งที่ข้าได้ขอร้องไว้นั่นก็คืออย่าใช้สเสน่ห์ในเรือนร่างแต่จงใช้ความรู้ในวิชาแพทย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ และเราทั้งสองขอขอบใจในวาจาที่กล่าวออกมาเมื่อสักครู่ลาก่อนโชคดีอิซาเบลไหนๆหม่อมชั้นก็กำลังจะจากไปแล้วขอประธานพระบรมราชาอนุญาตสักอย่างหนึ่งได้ไหมเพคะเธอต้องการอะไรหรืออิซาเบลจักรากรับสั่งถามขึ้นพร้อมกับเลิกพระขนมขึ้นน้อยๆอย่างแปลกระทไทยหม่อมชั้นขอประทานพระบรมราชาอนุญาตจุมพิษ พระองค์สักครั้งเป็นการถวายบังคมลาได้ไหมเพคะแม่ผมแดงกราบทูลขึ้นอย่างกล้าหาญชะชานได้ยินไปทั่วหมดทุกคนในที่นั้นทุกคนตะลึงพึงเพลิไปหมดคิดไม่ถึงว่าอิาเบลจะกล้าหาญชานชายถึงเพียงนี้ราชินีเมยานีนั้นครั้งแรกก็ชะงักพระพักแดงแต่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสวนน้อยๆ เอียงพระสอแลไปทางพระสวามีว่าทรงมีปฏิกิริยาหรือตรัสตอบเช่นไรจักรราทรงพระสวนออกมาเบาๆแววเนธที่แลไปทางเบลนั้นเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาเอ็นดูและไม่ทรงถือสาได้มีกระแสะรับสั่งแช่มช้าชัดเจนเช่นเดียวกันตอบมาว่าอิซาเบลแม่สาวน้อยผู้เริงราาแจ่มไสอยู่เป็นนิดข้าไม่ได้รังเกียจใ ด, ดๆแม้แต่น้อย ที่เธอจะขอจูบอำลาข้าแต่เธอได้ทําการตกลงไว้กับพระราชินีที่นี่แล้วไม่ใช่หรือว่าเมื่อยังอยู่ในมรกรกนครก็จะประพฤติเยี่ยงชาวมรกรนครกษรกรัตริย์ผู้ครองแผ่นดินนี้จะจุมพิตใครหรือยอมให้ใครจุมพิตไม่ได้นอกจากพระราชินีและพระญาติอันสนิทเท่านั้นข้าเสียใจที่เธอจะต้องผิดหวังโดยที่ข้าไม่ได้เจตนาเลย แต่มันเป็นจารีดประเพณีคำตอบโดยสุภาพและฉลาดล้ำของจักรราชเช่นนั้นแทบจะทำให้ดารินตบมือออกมาดังๆอย่างยินดีทว่าระ ง, งับไว้เสียได้ถึงกระนั้นก็ยังยิ้มพลายมองไปทางอดีตองคครักประจำตัวด้วยความสุดที่จะชื่นชมและฝ่ายเช่ฐถาทุกคนก็ลอบถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกโอหม่อมชั้นเข้าใจในรับสั่งเพคะ แล้วนี่หม่อมฉันจะต้องกราบขอพระราชทานอนภัยโทษด้วยหรือไม่เบลกล่าวออกมาด้วยสีหน้าและอาการเดิมดูประหนึ่งว่าที่หลอนกล่าวออกมาในครั้งแรกนั้นก็เพื่อจะสังเกตดูพระอากัปกิริยาท่าทีของจักรราษและเมญานีเท่านั้นหาได้มีประสงค์อื่นใดไม่และบัดนี้ตัวหล่อนเองก็อมยิ้มอยู่ไม่จาเป็นที่เธอจะต้องขอโทษอะไรค่าเพราะเธอไม่ได้กระทาสิ่งใดผิด เพียงแต่อาจเข้าใจผิดไปบ้างเท่านั้นและเพื่อไม่ให้เสียความตั้งใจเธอจะจุมพิษอำลาได้เพียงมือของข้าเท่านั้นรักสั่งอ่อนโยนน่ารักดังนั้นแล้วจักรราชก็ยื่นพระหัตถ์ส่งไปให้พลางพยักพเยิดเนิบลงเชิงอนุญาตเบลประคองจับพระหัตถ์ข้างนั้นขึ้นมาจุมพิษแผ่วเบาและค่อยๆปล่อยออกพร้อมทั้งทำความเคารพอีกครั้งพรางหันมาทางราชินีเมยานี ใต้ฝาพระบาทเล่าเพคะจะทรงประธานอนุญาตให้แก่หม่อมชั้นได้บ้างไหมแทนคําตอบใดๆและด้วยมารยาทอันดีงามละมุนละมอมที่สุดเมยานีโอบ ก, กอดเบลเอาไว้เอียงพระปรางทั้งซ้ายและขวาให้เบลจุ่มพิษในขณะที่ตบหลังหล่อนเบาๆรับสั่งว่าจงไปดีและมีความสุขนะเบลคิดถึงพวกเราทางมรกรคร น, นี่บ้างอิซาเบลหน้าแดงก่าด้วยความปิติใจ เพราะความคิดไม่ถึงมาก่อนว่าราชนีเมยาณีจะมีน้ำใจสูงส่งถึงเพียงนี้ความจริงหล่อนอยากจะเห็นพระอาการกราดเกลียวหรือแสดงพระอาการไม่พอพระไทยเสียมากกว่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นตรงข้ามไปหมดภายหลังจุมพิษแก่เมยาณีแล้วแม่ผมแดงถอยหลังไปหนึ่งเก้าชิดเท้าวันทยาหัดให้แล้วกลับหลังหันแบบทหาร เดินเข้าไปยืนสงบในแถวตามเดิม